งานกท็ทินนะเป็นงานใหญ่ของวัดป่าสุขโตเรียกว่างานใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะเพาะโรงทานที่ม า, าตั้งนะในวันนี้นะก็20ได้นะบวชเดินผา้าฤดูร้อนก็ไม่มากขนาดนี้นะเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนะของวัดป่าสุขโตประจําปี ก็เหมือนกับวัดต่างๆนะทั่วประเทศนะการทอดกรถิ่นนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดประจำปีของวัดทั้งประเทศนะอาจจะยกเว้นบางวัดที่มีงานใหญ่กว่านั้นเรียกว่างานวัดอย่างเช่นงานวัดสเกตงานวัดหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยอันนั้นใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศการงานที่สัมพันธ์กับพิธีกรรมแล้วนี่ก็ ก็คืองานกรถินนั่นแหละหลายวัดก็พยายามที่จะหากรถินนะมาทอดที่วัดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องหน้าตาของทางวัดก็ได้ชาวบ้านบางทีเห็นวัดของตัวไม่มีกรถินก็พยายามไปหามานะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเรียกว่าต้องมีนะไม่มีก็ได้ คนไทยสมัยก่อนนะก็จะมีคนที่ชอบทำบุญประเภทว่าก็จะไปคอยพายเรือไปตามลาน้ำแล้วก็ดูว่ามีวัดไหนที่ยังไม่ได้ทอดกระถินบ้างเพราะว่าสมัยก่อนนี่ตั้งอยู่ริมน้ำนะว่าที่ไม่มีกระถินเขาก็จะทอดนะก็เรียกว่ากระถินโจร น, นะนะคื อ, อไม่ต้องบอกล่วงหน้า พอสมัยก่อนนะกระถินก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรแล้วก็กระถินประเภทนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีผ้าเป็นสำคัญคนที่ทำแบบนี้ก็ถือว่าได้บุญมากนะแล้วก็ทาให้สามารถจะทอดได้หลายวัดนะก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะพอทอดวันนี้เสร็จก็ต่ออีกวัดหนึ่งไปเรื่อยๆนะเพราะว่าวัดสมัยก่อนเนี่ยที่จะมีโอกาสได้ทอดกถินเนี่ยก็ เรียกว่ามีไม่มากนะบางวัดก็ไม่มีพระจำมัรษาครบนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการ อ, อธิบายว่าจริงๆนี่พระจำมัณษาไม่ครบห้านี่ก็ได้นะมีพระวินัยรับรองอยู่นะแต่ว่าก็ต้องไปหาพระจากที่อื่นมามารับกระติต ด, ด้วยนะหลายวัดก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะ ได้ทราบว่าเนี่ยอย่างภาคใต้เนี่ยมีบางวัดพระก็น้อยนะไม่ครบห้าก็ต้องไปพยายามดึงพระจากเมืองเนี่ยมาจามรษาแต่พระในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีกิจเช่นต้องเรียนหนังสือและจะทำยังไงนะถึงจะให้ท่านมาจามาสาได้ก็ใช้วิธีมาจามรสาที่วัดนี้แต่ว่าไปเรียนที่อีกวัดหนึ่งในเมือง ไปเรียนยังไงไปสัตหะนะสัตหะเจ7วันกลับมานอนคืนหนึ่งวันรุ่นึ้นก็สัตหะต่อแล้วไปเรียนหนังสือนะวันบ้างเจวันบ้างแล้วก็มาเอาลาตรีนะมาค้างคืนที่วัดที่อธิษฐานพรรษาก็เป็นการแก้ปัญหานะสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย วัดก็มีพระจำบรรษาเกินห้าส่วนพระท่านก็ยังสามารถจะได้เรียนหนังสือในเมืองนะแต่ว่าวัดที่ท่านอธิษรามพรรษานี้ก็อยู่นะค้างคืนค้างแรมได้แค่ไม่กี่วันนะนะประมาณสัก10กว่าวันได้นะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าทางวัดอยากได้กระถิ่นนะ แต่วัดป่าสุกโตนี่จะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะก็คือว่าไม่เคยขาดกระถินแล้วก็ไม่เคยขอด้วยก็มีแต่คนมามาถามนะนะทางวัดป่าสุกโตก็ตั้งแต่นแต่ลัยมาก็เป็นกระถินสามัคคีนะกระถินสามัคคีคือมีเจ้าภาพร่วมนะหลายๆายเนี่ยต้องการเป็นเป็นเจ้าภาพกระถินแต่ผู้เดียวนะอันนี้ก็มีเยอะนะ เมื่อมีความต้องการอยากเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียวแต่ว่าคนอยากเป็นเจ้าภาพเยอะก็ต้องต่อคิวบางวันในเชิงตะปังน้ํามีคนต่อคิวประมาณนะสองเจ้าภาพได้หรือ300เจ้าภาพก็คือ300อปีนะต่อคิว300ร้อยปีมีผู้จองกถินไปแล้วเนี่ยจนถึงปี2800นแนะนะก็ไม่ทราบว่าถึงตอนนั้นนี่โลกมันจะเป็นยังไงนะ อีกสามปีข้างหน้าเพราะาตอนนี้ก็มันก็แย่ๆเต็มทีแล้วสิ่งแวดล้อมนะน้ำจะท่วมหรือเปล่าภายในศตวตรรษหน้าก็ยังไม่รู้แล้วก็กรุงเทพนี่ก็เป็นที่ต่ําด้วยยิ่งวัดปากน้ํานี่ก็เป็นที่ต่ํานะเขาก็ประมาณว่าใ น, นประมาณอีกร้อปีนี้น้ําก็จะตามทะเลก็จะขึ้นสูงนะเมตรหนึ่งเป็นอย่างน้อย1เมตรเป็นอย่างน้อยนะหรืออาจจะสองเมตรนะ วัดบางวัดแถวปักน้ํานี่ก็โดนน้ําท่วมไปถึงถึงอุโบสถแล้วนะรู้สึกว่าชื่อวัดขุนสมุทรจีนมัน้งแถวปักน้ำเนี่ยอยู่อยู่ไกลาจากทะเลนะอยู่ไกลาจากชายฝั่งนะแต่ตอนนี้น้ําท่วมไปถึงโบสถ์แล้วเวลาพระไปทําสังฆ ก, กรรมนี่ก็ต้องอเดินบนสะพานนะไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมแค่ไหนอันนี้เป็นเพราะการทําลายสิ่งแวดล้อมมากพระตะกอเ น, นี่ย มันก็จะมีโครนมีโครนตรมมาทับถมปากแม่น้ําก็ทําให้น้ําทะเลเนี่ยนะไม่ไม่ขึ้นมาไกลแต่พอสร้างเขื่อนแล้วสร้างเขื่อนก็ไหลเขื่อนเนี่ยไอโครนฝุ่นโครนตรมนั้งหลาเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ที่เขื่อนนั่นแหละมันไม่ลงมาถึงปากน้ำํำพอไม่ลงมาถึงปากน้ำเนี่ยเวลามีคลืน่นมีอะไรซัดมันก็ซัดเอาชายฝั่งหายไปเรื่อยๆ ทุกปีก็มีน้ำซัดชายฝั่งหายไปแต่ว่าไม่มีโครนตมไม่มีพวกตะกอนหินดินมาทับถมมาเสริมมาทดแทนมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นผลประการหนึ่งของการสร้างเขื่อนรวมทั้งการตัดตัดพวกทำลายป่าชายเลนด้วยนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฐินนะซึ่งปีนี้ก็ เฉพาะที่วัาปาสุโกโตก็มีมากันเยอะนะเมื่อพ้นจากกระถินแล้วนะก็เหมือนกับว่าเป็นการออกพรรษานะสมบูรณ์แบบนะออกพรรษาเมื่อวันที่27นี่เป็นงานออกพรรษาแบบทางการนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการออกพรรษาในเชิงปฏิบัติในภาคปฏิบัติ น, นี่ก็คือว่าพรรษาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือเมื่อรับกรินเสร็จเพราะว่าหลังจากนั้นพระก็จะแยกย้ายหลายรูปก็จะศึก บางลูกก็สึกวันนี้หลายลูกก็สึกนะอีกไม่กี่วันหลังจากนี้แล้วก็หลายท่านก็จะจาริกนะหรือไม่ก็ไปทุดงหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่วัดอื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมดาเมื่อออกพรรษาแล้วมีการรับกระถิตเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกพรรษาเนี่ยจะพนะรรษาจะสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ก็คือวันนี้แหละนะ ในทางปฏิบัตินะต้นจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนก็จะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะที่วัดป่าสุกโตเป็นเจ้าภาพร่วมจัดนะแต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่วัดก็คืองานธรรมยาราธรรมยารานี้ก็หลวงพ่อท่านก็เริ่มมาตั้งแต่ปีสี่สามนะหนึ่งแปดธันวาปีนี้เป็นธรรมยาราครั้งที่สิบหกนะ มีชื่อนะมีคำขวัญว่าพริกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นนะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยนะก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องแรงน้า แ, แล้วเราก็อยากจะชักชวนให้คนมาตื่นตัวเรื่องนี้การเดินธรรมยาตราก็เริ่มที่วัดภูเขาทองแล้วก็ไปต่อที่วัดโปร่งช้างแต่ว่าก่อนจะถึงวัดปร่งช้างก็จะมีการเดินแล้วก็ไปพักแถว หน้าผาซึ่งเคยเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะเวลาเดินทางจากแก้งคอขึ้นมาเนี่ ย, ยก็ใช้เส้นทางนี้แหละเพราะสมัยก่อนไม่มีถนนหลวงพ่อก็ขึ้นมาเส้นทางนั้นแหละที่เราจะไปเยือนในวันที่หนึ่งอาตมาตอนที่ขึ้นมาทอดพระป่าเมื่อสาสิห้าปีที่แล้วก็ขึ้นมาบนเส้นทางนั้นแหละคือตะเกียงตะกายขึ้นมา ต, ตอนนี้ก็จะ ไปเยี่ยมเยือนนะเหมือนกับไประลึกย้อนความหลังสมัยที่ชาวบ้านอย่างลำบากลำบนปีนเขามาสมัยนั้นเนี่ยธรรมชาติเป็นใหญ่นะคนก็ต้องพึ่งพาสายธรรมชาติต้องอยู่อย่างกระเบียดกรเสียนแต่ตอนนี้คนเป็นใหญ่บนหลังเขาแล้วธรรมชาติก็กลายเป็นทาสรองรับใช้มนุษย์นะก็ไปเยี่ยมเยือนตรงนั้นนะเพื่อให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งนะ ก็เคยมีป่าอุดมสมบูรณ์จากโปรงช้างก็ต่อไปบ้านห้วยผักน้ําแล้วก็ลงไปข้างล่างไปจนถึงบ้านนาฝายแล้วก็ขึ้นมาที่ย้อนขึ้นมาที่อุทยานตากโทนนะธรรมชาตราจะสิ้นสุดที่อุทยานตากโทนนะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะทั้งกิจกรรมเกี่ยวเรื่องการอนุอรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกิจกรรมเกี่ยวกเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วย เพราะว่าธรรมญาตราเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นการเดินเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่ยังเป็นการเดินเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติภายในใจเราหรือว่าสร้างทําให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเดินปฏิบัติธรรมไปด้วยเป็นการบำเพ็ญทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านก็คือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเกื้อในคนตระหนักถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติ ประโยชน์ตนก็คือการที่ฝึกเจริญสตินะเราก็มีคำขัญว่าร้อนแต่กายใจสงบเย็นหรือว่าเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานมันร้อนเพราะอะไรมันเหนื่อยเพราะอะไรเพราะต้องเดินนะเดินกลางแดดบางวันเดิน2ี่สิกว่ากิโลนะแดด ก, ก็ร้อนนะถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่ว่าไม่มีเมฆนะบางทีทางก็ขรุขระบางคนก็นอกจากจะไม่ สวมหมวกแล้วนะยังเดินเท้าเปล่าอีกนะก็คือถอดรองเท้าอันนี้เพื่อเป็นการฝึกสตินะบางคนจะมองว่าไปลำบากทำไมนะแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นการฝึกฝนนะก็คือว่าเมื่อเกิดเวทนาทางกายเช่นร้อนแดดหรือว่าปวดเท้านะทำยังไงมันจะปวดแต่กายนะใจไม่ปวด ยังไงมันจะร้อนแต่กายแต่ใจไม่ร้อนใจไม่ใจไม่ทุกนะอันนี้เป็นเรื่องของสตินะเพราะว่าสติเนี่ยมาทำหน้าที่ช่วยให้เป็นผู้เห็นเห็นเวทนาเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดกายปวดไปนะแต่ว่าใจสงบนะก็เป็นวิธีการทําให้ัเรียนรู้การทําใจสงบได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะกดดันนะ เสียงดังรบกวนนี่เป็นเรื่องจิ๊บจ่อยนะสอนธรมญาติตราสอนนักปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่มันท้าทายกว่าคือแดดที่ร้อนนะเผาหัวเผาตัวแล้วก็ปวดนะที่มันคอยทิ่มเท้าโดยเฉพาะคนที่ถอดรองเท้าถึงแม้ใส่รองเท้านี่มันก็เดินทางไกลนะมันก็เหนื่อยนะแต่ทำไงถึงจะเห็นความเหนื่อยโดยที่ใจไม่เหนื่อยไม่รู้สึกว่าเป็นผู้เหนื่อยอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งนะ เป็นการฝึกสติชั้นสูงนะเนะพราะนั้นจึงเป็นการเรียกว่าเป็นการเจริญสตินะไปพร้อมๆกับการทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมก็เชิญชวนนะญาติโยมที่มาทอดกรถิ่นในวันนี้แล้วก็ถ้าอยากจะทำบุญที่ไม่มีพิธีรีตองมากแล้วก็เป็นการฝึกจิตอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่แค่การ ถวายทานนะแต่ว่าเป็นการภาวนาด้วยก็มาร่วมเดินธรรมญาตราได้นะจะเดินครบ8วันเลยก็ได้หรือว่าจะเดินแค่วันสองวันก็ได้หลายคนเนี่ยจะรอเดินวันที่ 5, ้าหกเนะเพราะว่าหยุด3วันนะแล้วก็ห้ก็นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีดีซะด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ธรรมยาตราเดินผ่านป่านะเดินผ่านป่าก็จะร่มรื่น นะก็ไม่บ่อยนะธรรมญาตรานี้จะเดินผ่านป่าเพราะว่าป่าไม่ค่อยมีแล้วบนหลังเขายกเว้นที่เป็นภูหลงหรือว่าที่อยู่บนเขาแต่ว่าเทาเจ็เนี่ยนะวันที่หนะ้าก็จะมีการเดินนะผ่านป่าแล้วก็ไปไม่ถึงกัค้างแรมเหมือนอย่างปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ไปค้างแรมในป่าบรรยากาศดีมากเพราะว่ามีลำห้วยไหลไหลผ่านนะป่าก่อนที่จะขึ้นไปภูหลงเนี่ยมันจะมี ป่าเลือดป่าภูคีนะหลายคนก็ติดใจมากเพราะว่าได้ครั้งแรมในป่าได้นอนได้อาบน้ำนะในลำห้วยแล้วก็ได้ถ่ายถ่ายทุกแบบแบบป่าป่าจริงๆนะไม่มีรีสอร์ท ร, รองรับนะไม่มีอาคารรองรับแต่ปีนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นอเมซิ่งหรืออันซีนเหมือนกันนะอัตอมาอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีนี่ก็ยังไม่เคยไปที่ป่าผืนนั้นเลย ก็รอนะก็เป็นช่วงนะหที่หลายคนก็จะนิยมไปกันนะก็ประมาณว่าปี ก, ก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมาไปประมาณ 300-400 อคนไปเดินทางอาตรานี่ก็นะต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าถ้าอายุไม่ถึง50บนี่ก็ต้องสะพายของขึ้นบ่าเองหรือว่าสะพายขึ้นหลังเองอายุห0สิบ เกินกว่านั้นก็เอาสัมภาระขึ้นขึ้นรถได้แต่ก็ไม่มีเข้าเย็นน ะ, ะ mm. ก็เรียกว่านอนกลางดินกินกลางทราย mm. ก็จะมีเด็กนักเรียนนะมาร่วมเดินด้วยคนแก่ก็มาเดินนะเจกว่าก็มาเดินหลวงพ่อสิงหนะ์น่ยอายุ7080ก็มาเดินเกือบตลอดหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อกลมนี่ก็มาร่วมเดินนะเป็นความเป็นกําลังใจพวกเราด้วย ตอนที่หลวงพ่อจมอมมรนับภาพนี่เดินธรรมยถาตราครั้งที่14ท่านเดินท่านมาท่านมาร่วมกับพวกเราตลอดเลยไม่ได้เดินตลอดแต่มาพวกเราพักที่ไหนต้องไปพักที่นั่นค้างที่นั่นเป็นกําลังใจเหมือนกับว่าจะอําลานะเพราะว่าพอปีถัดไปท่านก็มรนับภาพก็เลยจัดธรรมยถาตราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบูชาคุณตอบแทนบูชาครูตอบแทนคุณถวายหลวงพ่อ ปีนี้ก็เหมือนกันนะก็ยังทำเพื่ อ, อสืบทอดเจตนารมณ์หลวงพ่อนะอ่แล้วก็เตรียมรับพรได้